พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะคำว่าพุทธพจน์ในชื่อหัวข้อนี้ให้รู้กันว่าหมายถึงพุทธาทิวัจนะในพระตายปิฎกคือคำกล่าวของบัณฑิต ท, ทั้งหลายมีพุทธพจน์เป็นประธานคือพระพุทธดำรัสพร้อมทั้งวัจนะของพระมหาสาวกและเหล่าบัณฑิต ท, ที่พ่วงมาแต่ใช้คำนี้เพื่อให้หัวข้อเป็นคำสั้นและง่าย คำของพระสาวกเป็นต้นนั้นแยกต่างได้โดยมีนามกำกับหรืออาคตสถานคือที่มาบ่งชี้ในบทต่อต่อไปก็พึงทราบโดยในายานี้พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะหมวดสรรพสิ่งโลกและบัญญั ต, ติต่างๆ ภิกษุทั้งหลายเรจาจะแสดงแก่พวกเธอซึ่งสรรพสิ่งคือสิ่งทั้งปวงครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างจงฟังเถิดอะไรเล่าคือสรรพสิ่งตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐาพใจกับธรรมารมนี้เรียกว่าสรรพสิ่ง พระองค์ผู้เจริญเรียกกันว่าโลกโลกดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรจึงมีโลกหรือบัญญัติว่าเป็นโลกดูกนสมิทธที่ที่ใดมีตามีรูปมีจักขูวิญญาณมีธรรมะอันพึงรู้ด้วยจักขูวิญญาณที่นั่นก็มีโลกหรือบัญญัติว่าเป็นโลก ที่ใดมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจในที่นี้คือละจนถึงมีธรรมารมมีมโนวิญญาณมีสิ่งอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณที่นั้นก็มีโลกหรือบัญญัติว่าโลกภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าที่สุดโลก เป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้ถึงได้ด้วยการไปแต่เราก็ไม่กล่าวเช่นกันว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลกจะทำความสิ้นทุกได้พระอานอนท์กล่าวข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ อย่างนี้ได้ทรงแจกแจงเนื้อความโดยพิสดานนี้ข้าพเจ้าเข้าใจความโดยพิสดานดังนี้บุคคลย่อมสำคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่าเป็นโลกด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าโลกในอริยวินัยด้วยอะไรเล่าคนจึงสำคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่าเป็นโลก ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจคนจึงสำคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่าเป็นโลกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการอุทัยพร้อมคือการเกิดขึ้นและการอัสดงคือตกไปหรือดับไปแห่งโลก จงฟังเถิดการอุทัยพร้อมแห่งโลกเป็นชไหนอาศัยตาและรูปจึงเกิดจักุวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นคือผรสษาเพราะพรรษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชจรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตก็มีพร้อมนี้คือการอุทัยพร้อมแห่งโลกอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกาย ละจนถึงอาศัยใจและธรรมอารมณ์จึงเกิดมโนวิญญาณนี้คือการอุทัยพร้อมแห่งโลกอาศดงแห่งโลกเป็นไนอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหานั่นแหละสำรอกดับไปไม่เหลือความดับอุปาทานจึงมีเพราะดับอุปาทานความดับภพบจึงมีเพราะดับภพบความดับชาติจึงมีเพราะดับชาติจรามรณะโศกบาลิเทวทุกทมนตและอุปายาจจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งหมดย่อมมีได้อย่างนี้นี้เรียกว่าอาสดงแห่งโลกอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายละจนถึงอาศัยใจและธรรมอารมณ์จึงเกิดมโนวิญญาณละถึงเพราะตัณหานั่นแหละสำรอกดับไปไม่เหลือความดับแห่งกองทุกทั้งหมดย่อมมีได้อย่างนี้นี้คือ การอัสดรของโลกพระองค์ผู้เจริญเรียกกันว่ามารมารเรียกกันว่าสัตว์สัตว์เรียกกันว่าทุกข์ทุกข์ดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรจึงมีมารหรือบัญญัติว่ามารจึงมีสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์จึงมีทุกข์หรือบัญญัตวิตญญตว่าทุกข์ ดูก่อนสมิธิที่ใดมีตามีรูปมีจักขรวิญญาณมีธรรมะอันพึงรู้ด้วยจักขรวิญญาณละจนถึงมีใจมีธรรมารมณ์มีมโนวิญญาณมีธรรมะอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณที่นั้นก็มีมานหรือบัญญัติว่ามานมีสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์มีทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์ เมื่อตามีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์เมื่อตาไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขทุกข์เมื่อหูเมื่อจมูกเมื่อลิ้นเมื่อกายเมื่อใจมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์เมื่อหูเมื่อจมูกเมื่อลิ้นเมื่อกายเมื่อใจไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่บัญญัติสุขทุกพุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนาะหมวดว่าด้วยความจริงเดียวกันทั้งแก่ผู้หลงและผู้รู้เท่าทันภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกาย ใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเป็นของเที่ยงจะเป็นสุขจะเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน รูปเสียงกลิ่นรสพทธะธรรมารมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปเสียงกลิ่นรสพทธะธรรมารมเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสพทธะธรรมารมซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเป็นของเที่ยงเป็นสุข เป็นอัตตาได้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์และคนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาศเสียโคกินข้าวกลา้าลงสู่ข้าวกล้าโน้นพึงเมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่ชันใดอุตุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่สังวรในภาษายตนหก ย่อมเมาเพลินประมาทในกา ร, รมคุณห้าจนเต็มที่ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะหกเหล่านี้ที่ไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สังวรย่อมเป็นเครื่องนำทุกขมาให้ผัสสะยตนะหกเหล่านี้ที่ฝึกดีแล้วคุ้มครองดีรักษาดี สังวรดียอมเป็นเครื่องนําสุขมาให้ตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้รูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้โดยในยะเดียวกันหู ก, กับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับผลทัพภะละจนถึง ใจเป็นเครื่องผูกล่ามธรรมอารมณ์ไว้ธรรมอารมณ์เป็นเครื่องผูกล่ามใจไว้ดังนี้หรือหามิได้ตาก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามรูปไว้รูปก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามตาไว้ฉันธราคะคือความชอบใจจนติดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองอย่างนั้นต่างหากเป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูปนั้น ละจนถึงใจก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามธรรมารมธามารมณก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามใจฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นตัางหากักเป็นเครื่องผูกล่ามที่ใจและธรรมารมณ์นั้นหากตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้หรือรูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไวล้วไซการครองชีวิตประเสริฐ เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบก็จะปรากฏไม่ได้แต่เพราะเหตุที่ตาไม่ใช่เครื่องผูกล่ามรูปรูปไม่ใช่เครื่องผูกล่ามตาฉันธราคาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปสองอย่างนั้นต่างหากเป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูปนั้นเพราะเหตุฉะนั้นการครองชีวิตประเสริฐเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบจึงปรากฏได้ พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระจักสุพระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นรูปด้วยจักสุแต่ฉันทราคาไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระไทยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระโสตพระคานะพระชิวหาพระกายพระไทยแต่ฉันทราคาไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผูมีพระภาคเจ้าทรงมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้ว